สวัสดีคุณผู้ฟังช anel พระเจอผีบน y o u t u ทุกทุกท่านด้วยนะคะกลับมาเจอเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่หาบทพิสูจน์ไม่ได้ ก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนค่ะว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เชื่อก็ไม่ไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาไม่เชื่อนะคะส่วนคนที่ไม่เชื่อค่ะก็ไม่จาเป็นต้องไปดูถูกความเชื่อของบุคคลอื่นนะคะ วันนี้มีเรื่องแปลกๆจากทางบ้านค่ะของคุณพี่สุกัญญามณีรัตน์นะคะเป็นแฟนเพจจากพระเจอผีบน Facebook นะคะบอกว่ามีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนั้นพี่สุกัญญาเองเนี่ยอายุเพิ่งจะเพียง16ปีอยู่ที่เขื่อนภูมิพลนะคะ เขื่อนภูมิพลเนี่ยใครจะไปจะมาสุดแสนลำบากค่ะพี่เขาบอกไว้แบบนั้นเพราะว่าถนนหนทางยังไม่ค่อยเจริญเหมือนปัจจุบันซึ่งตอนนั้นแฟนพี่เพิ่งได้บรรจุเป็นพนักงานกองฟอพอใหม่ๆแล้วก็ในหน่วยงานเนี่ยก็จะมีรุ่นใหญ่หมายถึงรุ่นพี่นะคะตามที่บีเข้าใจแล้วก็เรียกแกว่าลุงนันลุงนันเนี่ยแกจะเก่งในด้านจับอึง่งค่ะในฤดูฝน ถนนในเขื่อนเวลาฝนตกเนี่ยจะมีอึ่งกระโดดไปมาล้อสแสงไฟเยอะมากค่ะตลอดจนในรันเวย์สนามบินแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งฝนพ ร, รมตั้งแต่หัวค่ำลุงหนันแกก็มาเรียกแฟนของอพี่สุกัร ญ, ญานยค ะ, ะที่ชื่อว่าพี่วัดแกบอกว่าเฮ้ยวัดไปจับอึ่งกันที่สนามบินไม่ค่อยมีคนเข้าไปเพราะว่ามันไกลนะคะก็เข้าไปในป่าพี่วัดเนี่ยก็ชวนพี่สุกัรยาไปด้วย เนะะ่สำหรับพี่สุกัญญาเองก็ไม่เคยรู้ว่าเขาจับอึง่งเขาจับกันยังไงก็เออไปก็ไปตามไปด้วยค่ะพอทั้งหมดทุกคนเนี่ยเตรียมถุงปุ๋ยกันไปคนละใบแล้วพี่วัดกับพี่สุกัญญาก็ขี่มอไซค์ตามลุงนัน ไปตลอดทางจากเขื่อนนะคะก็เก็บอึ่งกันไปตลอดทางจนถึงทางแยกนะคะเข้าสนามบินนะโห้ตลอดรันเวย์นี่อึง่งกระโดดออกมาล้อแสงไฟตาแดงๆเต็มสนามบินไปหมดทุกคนจอดรถแล้วก็ใช้ไฟฉายคนละกร ะ, ะบอกค่ะต่างก็แยกย้ายกันไปจับอึง่งก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนที่สุกัญญาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนียไม่เคยจับอึง่งพอมาจับดูตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกว่า มันสนุกสนานเหลือเกินนะคะพี่สุกัญญากับพี่วัดก็เดินจับอึ่งกันไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวว่าเดินไปทางไหนจนมาถึงต้นตาลคู่โดยมีแสงไฟสนามบินเนี่ยเห็นรางๆฝนก็ตกพรำๆพี่สุกัญยาก็หันซ้ายหันขวาเอแฟนพี่แล้วก็ลุงหนันหายไปไหนพี่ ก, ก็กูร้องนะคะบอกออแฟนกูรับเรียบร้อย ก็ได้ยินเสียงแฟนกูรับกลับมาก็เดินฉายไฟไปที่คนต้นตาลค่ะเห็นมีอึงเนี่ยกระโดดย้อยๆพี่สุกัญญาก็เข้าไปจับแล้วก็ดินหญ้าตรงบริเวณต้นตาล น, นี่มันสูงๆต่ำๆคือหันไปอีกทีนึงเนี่ยเห็นแสงไฟฉายของชาวบ้านก็มาจับอึงเหมือนกันเดินเข้าไปอีกนิดนึงค่ะเจอคนท้องมีตาข้องใส่อึงมาเดินจับอยู่ไม่ไกลพี่สุกัญญาก็ถามว่าพี่ได้เยอะไหมคะ พี่เขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็เดินห่างเราออกไปก็นึกในใจว่าเ ย, ย่บ้านนี่ถามไม่ตอบฉับพลันค่ะก็มีเสียงแฟนพี่แล้วก็ลุงหนันเนี่ยตะโกนเรียกว่าอยู่นจะกลับแล้วพี่สุกัญญาก็ตะโกนตอบไปบอกว่าอยู่นี่ใต้ต้นตาลลุงหนันบอกว่ารีบออกมาเลยเข้าไปในนั้นได้ยังไงรีบออกมาเมื่อพี่สุกัญญาได้ยินลุงหนัน แกตะโกนหรือว่าแกกู่ร้องเรียกแบบนั้นเนี่ยพี่สุกัญญาเองเนี่ยแกก็เลยตะโกนเรียกแฟนแกบอกว่าให้มาช่วยยบถุงอึ่งน่อยแบกบไม่ไหวจับได้ล้นถุงเลยเนี่ยแฟนพี่สุกัญญาก็คือพี่วัดเนี่ยนะคะก็ตะโกนบอกว่าทิ้งไปไม่ต้องเอามาพี่สุกัญญาบอกเอา้า พี่ก็งงอะไรวะด้วยความโมโหก็เลยเดินไปตามเสียงของแฟนที่ตะโกนเรียกพอเจอหน้าแฟนแล้วก็ลุงหนันแฟนก็เลยถามว่าเดินเข้าไปยังไงในนั้นเนี่ยที่นั่นมันเป็นป่าช้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีผู้หญิงตายทั้งกลมเขาฝังไว้ที่ต้นตาลคู่คุณบีคะนับแต่นั้นเป็นต้นมาพี่ก็หยุดกินหยุดหาอึ่งตั้งแต่บัตรนั้นเลยแล้วก็ลุงหนันแล้วก็แฟนพี่บัตรนี้เนี่ยทั้งสองเสียชีวิตกันไปหมดแล้วกล่าวหน้าพี่จะเล่าเรื่องลุงฉ่ำหนอไมาให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นดีก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่สุกัญญามะนีรัตด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่แฟนของพี่สุกัญญาได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับเรื่องของลุงฉําหน่อไม้ยังไงบีเองก็จะรอคอยนะคะสำหรับเรื่องที่พี่สุกัญญาจะนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเท่าที่บีเล่าเนี่ยรู้สึกว่า จินตนาการภาพไปด้วยฝนตกเปรียป้ยแล้วก็ไปจับอึ่งกันโดยที่เราเดินเข้าไปในป่าที่มันเป็นบริเวณต้นตาลคู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนั้นคือป่าช้าไม่อยากจะขีดภาพนะคะคุณผู้ฟังว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าที่นั่นคือป่าช้าเราจะรู้สึกขนลุกมากแค่ไหนคะ่ะ มีเรื่องราวแปลกๆอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะที่บีจะเล่าให้ฟังเรื่องของป่าช้าผีดุนะคะเพราะว่าอารามอยากจับขโมยมะพร้าวแท้ๆค่ะที่ทําให้คนที่เจอเรื่องราวเหล่านี้กับเพื่อนๆเนี่ยนะคะต้องสยองแล้วก็ขนหัวลุกจำภาพนี้ไปจนตายเลยทีเดียว คุณเสมาค่ะเล่าประสบการณ์ขนหัวลูกจากป่าช้าเก่าในสวนมะพร้าวนะคะสิ่งที่พบเจอกับพเพื่อนๆก็คือไอ้ล้วนกับไอ้ลิมเนี่ยต้องเจอะ เ, เจอเข้ากับเหตุการณ์สยองขวัญก็คือโดนผีหลอกกระเจิดกระเจิงจนวิจจะจับไข้หัวกรวนไปตามๆกันตั้งแต่คืนนั้นมานีคะทุกคนก็เลยเลิกทําตัวเป็นคนอยากก็รู้อยากเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระปะปังของตัวเองแต่อย่างนั้นยังไม่วายเจอดีเข้าค่ะคุณเอ้ย คนเราเนี่ยบทมันจะซวยอะเนาะถึงแม้ว่าไม่ได้ดิ้นรนหาก็จริงอยู่แต่ว่าอยู่ๆเรื่องขนหัวลุกเนี่ยมันก็โผล่เข้ามาหาเราดือด้อซะแบบนั้นสาเหตุมันจากนิสัยสนุกสุกสนชอบเที่ยวเต่ตามประสาชายหนุ่มที่พลัดบ้านพลัดช่องมาเรียนรวมกันที่วิทยายลัยครูบางแสนนั่นแหละค่ะ วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มักจะชอบไปเที่ยวชายหาดบางแสนไอ้ล้วนบอกอยากไปสูตรโอโซนให้ชื่นใจกับหาของอร่อยๆกินแต่ว่าไอ้ลิมเนี่ยขัดคอว่ามึงอยากเข้าไปอ้างหน่อยเลยของจริงนะ่ยอยากไปดูขาอ่อนสาวๆ ส, สวยๆในะชุดอาบน้ำเดินฉุยฉายตามชายหาดมากกว่าพอไอ้ล้วนได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะแห่ๆค่ะไก่ไปว่าไม่ไปบางแสนก็ไปหาข้าวแกงหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกินที่ร้านเจเล็กหน้าวิทยาลัยก็ได้วะวันดีคืนดีค่ะ ขี่จักรยานไปเที่ยวหนองมนกันไม่ต้องเสียเวลาออกถนนใหญ่หรือต้องเลี่ยงกับรถราที่เล่นชิวนะคะเพราะว่าด้านหลังวิทยาลัยเนี่ยมีทางลัดมะพร้าวดกสะพรั่งค่ะนับร้ยร้อยต้นบรรยากาศค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวแต่ว่าย่นระยะทางได้เราเครื่องต่อเครื่องเลยทีเดียวแต่ก็มีเรื่องน่ากวนใจเล็กน้อยค่ะตรงที่เขาลือกันว่าที่นั่นเนี่ยเป็นป่าช้าเก่าของคนจีนผีดุอย่าบอกใครเชียว แม่ไม่ใช่ลือล่องลอยอะไรหรอกนะคะเพราะว่าเคยขี่จักรยานไปศาลาตั้งศพเก่าๆถึง2หลังนอกจากนั้นก็ยังมีห่วงซุยนะคะซึ่งเป็นห่วงซุยเก่าแก่ค่ะกับหลุมศพที่เป็นเนินดินเห็นได้ชัดอยู่ในดงมะพร้าวนั่นเองแต่ว่าทุกคนนะคะก็ขี่รถไปตอนกลางวันก็เลยไม่น่าขนลุกขนพองสักเท่าไหร่ตั้งแต่โดนผีหลอกที่ศาลาตั้งศพร้างในป่าละเมาะแถวๆด้านหลังโรงอาหารของวิทยาลัยนะคะบอกว่าไม่มีใครหรืออ่านไปไหนมาไหนตอนกลางคืน ตกลงอาทิตย์นั้นก็เลยจะไปเที่ยวหนองมนกันคนที่ชื่อล้วนเนี่ยอยากกินห่อหมอกค่ะคนชื่อลิมอยากกินข้าวหลามส่วนเจ้าของเรื่องเองก็ว่าจะหาซื้อขนมนมเนยมาไว้เป็นสเสบียงยามหิวตอนกลางคืนเป็นอันว่าตอนบ่ายๆทุกคนขี่จักรยานไปด้วยกันในดงมะพร้าวที่ร่มครึ้มคล้ายอาทิตย์จะรับหายอยู่หลังก้อนเมฆหนาทึบนะคะ เพื่อนสองคนแซวกันสนุกว่าว่าใจจริงอยากไปดูสาวสาวชาวกรุงเทพที่กลับจากต่างอากาศพัทยามาแวะซื้อของฝากที่หนองมนมากกว่าเพราะว่าสาวสาวในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็แต่งตัวฉูดฉาดอกอวบพุ่งสะโพกผึ่งผายกันทั้งนั้นบางคนนะดอกกางเกงขาสั้นเดินบิดบั้นท้ายจนหนุ่มแก่หันมองแทบคอเคล็ไปตามๆกันเจ้าของเรื่องค่ะขี่รถนาหน้าตามไปด้วยคุณล้วนแล้วก็คุณลิม อยู่ๆค่ะทางมะพร้าวก็ดังสู้ซาตามด้วยเสียงโครมครามติดกันสองครั้งก็เล่นอาหารขวับไปมองทางต้นเสียงด้วยอารามตกใจแต่ไม่เห็นมะพร้าวสักลูกเดียวนะ เอ้ยยังไงกันเจ้าของเรื่องก็เลยมองเห็นหวงซุยขาวพลนสะดุดตาทางขวามือค่ะแม้จะเคยเห็นมาก่อนก็จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูมันอยู่ใกล้ทางแคบๆที่เราเคยผ่านไปผ่านมาแถมหลุมศพอีกหลายหลุมก็ใกล้เข้ามาแถมดูหนาตากว่าเดิมเหมือนมีใครเอาศพใหม่ๆ ม, ม, มาฝังเพิ่มขึ้นแบบนั้นแหละเป็นไปไม่ได้ก็มันเป็นป่าช้าร้างนี่นาเหมือนมีอะไรดนใจค่ะให้หันไปมองทางซ้ายทางขวาเห็นศาราตั้งศพเก่าแก่ทั้งสองหลังอยู่ใกล้กันเหลือกระดานอยู่ราวส แผ่นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เย็นบุบที่ต้นคอแล่นวาบลงมาตามแผ่นหลังนั่นก็คือภาพของตะแเปแก็กลายๆค่ะกลุ่มนึงเลยนะกําลังนั่งล้อมวงอยู่ที่นั่นผมเนี่ยขาวโพลนเหมือนปุยฝ้ายค่ะฉับพลันทันใดตะแเปะกลุ่มนั้นก็หันขวับมามองเราเป็นตาเดียวคุณพระคุณเจ้าตะแปะทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีใบหน้าเป็นโครงกระดูกในตากลวงโบอ้าปากเห็นฟันกระดํากระด่างประงับประงับสงเสียงหัวเราะแหบโหยเจ้าของเรื่องบอกร้องเฮ้ย รถเป๋ไปในพงหญ้าก่อนจะตั้งหลักได้แล้วปั่นหนีภาพอุบัติแบบเร็วจี แต่ว่ายังช้ากว่าเพื่อนสองคนที่มันพุ่งแซงหน้าลมปันพุ่งแซงไปข้างหน้าเหมือนลมพัดเลยนะคะอันนี้จากหนองมนก็ถีบรถกลับทางถนนหลวงค่ะบอกว่าเข็ดหลับแล้วละป่าช้าเก่าเนี่ยเข็จนวันตายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องอยกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าใครที่ได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะปันจักรยานไปดีๆเนี่ยไปเจอผีอยู่ในป่าซึ่งมันเป็นป่าช้าเก่าแต่ว่ามีภาพสะดุดตาเหมือนกับมีการฝังศพใหม่ๆเหมือนกับมีหงซุ้ยใหม่ๆ นะคะแต่ว่าสาราตั้งศพเป็นสาราเก่าแล้วก็มีกลุ่มคนนะคะที่เป็นตาแปะแก่แกผมขาวพโพลนหน้าตามีแต่โครงกระดูกเบ้าลึกลงไปนะคะนั่งสียยิ้มให้โอ้ไม่อยากจะคิดภาพเลยว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยจะเป็นแบบอะไรแบบไหนกันนะคะไม่บ้าก็คงจะเสียสติอยู่ตรงนั้นแน่นอน mm hmm. นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บีนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะมีเรื่องราวแปลกๆอีกสักเรื่องหนึ่งค่ะมาเล่าให้ฟัง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 สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเมื่อรถบัสคันแรกนี่แหกโค้งเข้าไปในทุ่งหญ้าสวรรค์ข้างทางค่ะแล้วก็ชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่รกครึมดูน่ากลัวก่อนจะจอดสงบนิ่งในที่สุดรถบัสคันหลังตามมาติดๆจอดอยู่ที่ข้างทางทั้งเจ้าภาพเอ่ยคนขับรถเอ่ยลงมาแล้วก็เตรียมจะเข้าไปดูเหตุการณ์แต่แล้วคะ่ะก็มีคุณยายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาจากแถวหลังบอกว่าอย่าพึ่งไปดูนั่นสิเห็นคนเต็มไปหมด